นานๆอย่างที่วัดตอนคำ่ำวันไหนเราไปชมเราก็มืดพอเริ่มมืดตีะระฆังขึ้นไปก็นั่งภาวนานั่งภาวนาไปจนถึงสองทุ่มนั่งภาวนาไปจนถึงสองทุ่มพระเนนทั้งทั้งพระเนนทั้งโยมนั่งภาวนาไปจนถึงสองทุ่มก็ยาวพอสมควร เสร็จแล้วทำวัดทำวัดสวดมนต์ก็สวดแค่นี้แหละไม่สวดมากทาวัดสวดมนต์ในระหว่างที่นั่งภาวนาตอนตอนหัวค่าเราก็เปิดเทศลงตาด้วยเปิดเทศลงตา <c oughs> บางทีก็กันหนึ่งบางทีก็กันกว่าบางทีก็ไม่ถึงกันเราก็เปิดไปบางทีเราก็เปิดน้อย เราก็พานั่งภาวนายาวบางทีการเทศน์ไหนเราฟังไปแล้วเนื้อหามันเกาะกันจะปิดให้สั้นก็เสียดายเปิดฟังยาวไปเลยบางทีก็เกือบสองทุ่มแต่ถ้าหาเรามีแต่เสียงกรอกหูมากจนเกินไปเราไม่ค่อยได้ต่อสู้ด้วยลําแข็งของตัวเองอ ม, มันไม่ค่อยได้ตั้งท่าต่อสู้ กับความหงุดหงิดกับอะไรต่ออะไรที่มันคอยมักยุ่งแย่ใจของเราเราไม่ค่อยได้ถอดต่อสู้แต่ถ้าหากคนเข้าใจฟังตอนฟังก็ตั้งใจฟังถ้าตั้งใจบริกรรมอยู่กับคําบริกรรมเอาเสียงเทศที่เราเปิดฟังนั่นเป็นเป็นฉากหลังพอมันตกพอมันตกไปจากคําบริกรรมมันก็ไปอยู่กับเสียงเทศ พอมันหลุดจากเสียงเทศมามันก็มาอยู่กับคำบริกรรมนี่เราถือเอาประโยชน์ตรงนี้เวลาเราเปิดเทศลงตาแล้วพวกเราก็นั่งภาวนาฟังบางทีก็เหลือเวลาเกินครึ่งชั่วโมงเรากน็นั่งฟังหัวใจของเราไปไม่เปิดฟังไปจนถึงสองทุ่ม เอาเป็นนั่งเงียบฟังหัวใจของตัวเองไปจนถึงสองทุ่มเสร็จแล้วก็ทําวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์แค่นี้แหละไม่มากหลังจากทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเรามีอะไรอะไรเราก็คุยกันนี่นะที่ทำเราทำประจำสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเราเลิกไม่ก็ไม่ไม่มากไม่ถึงสี่ทุ่ม สามทุ่มสามทุ่มครึ่งบางวันก็ถึงสี่ทุ่ม <c oughs> ทำอย่างนี้เป็นประจำเวลาเราทำวัดสวดมนต์เวลาเราไปชุมกันวันไหนไม่ ไ, มได้ไปชุมต่างคนต่างทำอยู่ที่กุติของตัวเองวันไหนมีการประชุมกันก็ทำเป็นอย่างนี้แหละทอย่างนงี้วันไหนไม่ไประชมุมต่างคนต่างทำที่ทกุติของตัวเองทำที่อยู่ที่พักของตัวเองทำมากทำน้อย ทำยาวทำสั้นแล้วแต่ตามถนัดตามสะดวกสบายจะทำตอนไหนเวลาไหนาก็ให้อยู่ในขอบของตอนเช้านี่คือเวลาที่เรามีการประชุมกันแต่ตอนเช้าทุกคนจะต้องมาทันทำวัดสวดมนต์ที่สลาตีสถึงสลาตอนเช้าตีสถึงสลา สลับผู้ที่ลงฉันเนี่ยเราพูดถึงพระนะสลับผู้ที่ลงฉันก็ต้องไปถึงสลาอย่างน้อยตีส่อาจจะขาดบ้างอาจจะเกินบ้างก่อนบ้างหลังบ้างไม่มากไปพร้อมกันตีสปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะสลับนั่งฉันเสร็จแล้วก็เข้าที่รมวัดรำวัดเช้ารมวัดเช้าก็ทำแค่นี้แหละทำแค่ในหนังสือนี่แหละทำวัดเช้าเสร็จ เราก็นั่งภาวนาไปจนสว่างทุกวันทุกวันทุกวันนี่สำหรับผู้ออกฉันแต่สลหรับผู้อดอาหารนั้นไม่ต้องลงทาที่กุติของใครของเราทาอย่างนี้เป็นประจำะถ้าใครขยันลงฉันก็ต้องได้ขยันทาวัดเช้าและก็มีโอกาสได้นั่งภาวนาทุกวันทุกวันทุกวัน เราจะลงก็ตามเราไม่ลงก็ตามก็มีหมูเพื่อนที่เป็นลำดับอาวุโสพาทำทําอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันใครขี้เกียจก็ต้องไปขี้เกียจนั่งภาวนาก็ต้องได้ไปไปให้ทันได้นั่งภาวนาถ้าไปไม่ทันก็เขินแล้วแหละพอไปเวลาหมูก็นั่งสวดมนก็เขินแล้วเวลาไปไปไม่ทันหมู่หมูเขานั่งภาวนาเสีก่อนแล้วก็เขินแล้ว mm. เลยต้องตัดสินใจไปให้ทัน ตอนเช้าที่วัดเราการทวัรสวดมนต์เราก็ทำพอเป็นธรรมเนียมทําพอเป็นธรรมเนียมสวดพอเป็นธรรมเนียมบางทีพระถ้าภรษาไม่มากจริงๆสวดเจ็ดตำนานก็สวดไม่ได้เราเพราะเราเราไม่ได้พาสวดมากบางทีไปสวดผ้าหงในบ้านเนี่ยล้ม <laughs> หวังอะไรกับพระวัดพามากไม่ได้ล้ม ไม่ค่อยพาสวดนอกจากบวช น, น, นานาผ่านมามากๆ อ, นนอันนั้นสวดได้เจตตำนานได้สวดพราหงุงถวายพรพระได้แล้วก็บางองค์ท่านก็เรียนมากสวดปฏิโมกเนี่ยสวดแต่ปฏิโมกเราก็เน้นใครยังไม่ได้ให้ท่องเน้นท่องปฏิโมกท่องปากเปล่าสําลับสวดในวันโุโบสถ <c oughs> นี่เราพูดถึงการสวดการสวดทำให้จิตใจเราสงบสงบกับคำที่เราสวดนั่นแหละทำให้ความคิดของเราเนี่ยคิดเป็นระเบียบตามระเบียบที่ท่านเรียงเอาไว้นั่นแหล ะ, ะระเบียบในหนังสือนั่นแหละมันเป็นระเบียบที่ท่านเรียบเรียงมาแล้วเราใช้ความคิดตามสัญญานั่นแหละเอาสัญญาไปจับตัวหนังสือแล้วก็ว่าไปว่าไปเอากิริยาการสวด ออกเสียงออกสำเนียงออกอะไรแล้วให้จิตมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดจริตทำให้เกิดมงคลแล้วก็ที่สําคัญก็คือตั้งใจทําจริงๆใจก็สงบสงบอยู่กับคําสวดนี่ก็เป็นวิธีเป็นวิธีวิธีหนึ่งเป็นวิธีการชําระจิตอย่างหนึ่งก็มีความสําคัญเข้าไปที่จิตเหมือนกันต้องบน่นสวดมนต์แล้วก็ภาวนาท่องบน่นสวดมนต์ ภาวนาเนี่เป็นหน้าที่ของผู้ตั้งใจที่จะให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจก็ต้องตั้งใจทําอย่างเงี้ยทามากทําน้อยแค่ไหนทํามากทําน้อยเอาชีวิตเป็นเดิมพันคําว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็คือทําตลอดชีวิตจากนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่คําว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่หมายความว่าคืนนี้ได้ไม่ได้ตายมันไม่ใช่แบบนั้น นะถ้าใครถ้าใครเอาอยัางงั้นตั้งเอาอย่างงั้นก็ได้เอาความเด็ดเด็ดเอาความเด็ดของใจเป็นเกณฑนะ์แบบนี้ก็ถือว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไดนะ้นั่งไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนนะตั้งแต่หัวค่ำไประจน์สว่างไม่เปลี่ยนเลยนะแข้งขาจะหักกระดูกจะหักปวดเจ็บแสบขนาดนี้นไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนลองดูแต่ว่ามันจับเสือมือเปล่าไม่ได้หรอก เรามาตั้งใจบุกเอารวดเดียวทีเดียวไม่ได้เราต้องฝึกฝนเราต้องฝึกฝนจนชำนิชำนาญก็เราจะทำได้มันทำได้ไม่ง่ายมันมันจับเสือมือเปล่าไม่ได้เรามาตั้งใจทำเอาไม่ได้ถ้าหากไม่มีความเป็นธรรมมีอยู่ในใจบ้างแล้วมันก็จะผ่านไปได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเด็ดเหมือนกัน เอาชีวิตเป็นเดิมพัน์ของเรานั้นหมายความว่าเราทำอย่างนี้แหละจากนี้ไปจนตลอดชีวิตถ้าใครตั้งอย่างนี้ได้และทำอย่างนี้ได้คนนั้นจะได้กําไรแก่ชีวิตอย่างงามทีเดียวบุญบา ร, รมีถึงพอก็ได้คุณธรรมได้อัดได้ทำ อ, อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันในเกิโอ้คุณค่ามหาศาลของชีวิตจิตใจของเราแหละ สมุทรยังไม่ถึงขนาดนั้นบารมีเรายังไม่เต็มแต่มันก็เป็นการขวนขวายเพื่อเป็นพระโสดาบัน mm hmm. ก็ถือว่ายังถือว่ า, ย อ, วายอยู่ในสมรมรภูมิที่ตั้งอกตั้งใจทํานี่เป็นความคิดอย่างเป็นธรรมตั้งอกตั้งใจทําเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่ถ้าใครตั้งได้ทําอย่างนี้ได้คนนั้นก็เป็นการสั่งสมอบรมตัวเองเข้าสู่ธรรมะ อย่างไม่ปล่อยปละละวางเอาจนตายทําจนตายเพราะอันนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้ไม่มีและอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งทางใจใจเป็นนายกายเป็นเบาวใจเป็นนายกายเป็นเบาโลกนี้ อาศัยปรากฏได้ด้วยใจร่างกายนี้ปรากฏได้ด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏรอบข้างตัวเราเฉพาะหน้าเราปรากฏได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงเป็นนายกายจึงเป็นเบาวทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการทําเพื่อฝึกฝนอบรมมาที่ใจเพื่อชําระขัดเกลาเข้ามาที่ใจ ทำใจให้มีคุณภาพทำใจให้มีความดีคุณภาพมากๆความดีโดยศีลโดยธรรมมากๆก็คือมีบุญมากนั่นเองคือคนเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีนนจดมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นคุณธรรมที่สูง ท, ที่ลึกนะอุเบกขารวมไปถึงผลของการภาวนาปัจจิต ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนเป็นอุเบกขาเห็นก็สักเทะวะเห็นได้ยินสักเทะวะได้ยินได้สัมผัสก็สักเทะวะได้สัมผัสแต่จิตใจรอบรู้หมดแล้วเพราะฝึกฝนอบรมจนรอบรู้หมดแล้วเป็นความวางเฉยโดยธรรมไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไปแต่ถ้ า, ายังไม่มีคุณธรรมก็ดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกไป ยินดีพอใจก็ดึงเข้ามาไม่ยินดีไม่พอใจก็ผลักออกไปดึงอะไรดึงอารมณ์ผลักอารมณ์อารมณ์รูปเสียงกลิน่นรสปฐพะสัมผัสต่างๆยินดีก็ดึงเข้ามายินร้ายก็ผลักออกไปแต่ถ้าใจมีคุณธรรมรูปจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามอยู่ตามสภาพของรูปไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไป เพราะฉะนั้นดึงเข้ามาก็คือนำโทษมาหาใจผลักออกไปก็คือนำโทษมาหาใจไม่ถูกใจไม่สมใจไม่เหมาะใจไม่เป็นเหตุให้ดีใจไม่อยากได้รวมไปถึงไม่อยากมีรวมไปถึงไม่อยากเป็นเนี่ยไอสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ยินดีตามเรื่องของตันหานการตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเ่อแยกแยะโดยละเอียดไปแล้วเป็น กามาตัญหาภาวะตัญหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากประสบตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มันไปประสบตามที่อัตภาพร่างกายมันจะพึงเป็นเช่นอย่างมันจะต้องแก่แต่ไม่อยากแก่มันจะต้องเก็บแต่ไม่อยากเก็บมันจะต้องตายแต่ไม่อยากตาย ความไม่อยากอันนี้แหละคือการดึงเอาไว้คือการรั้งเอาไว้คือการกะคือการเกณฑ์คือการบังคับให้มันถูกใจพอไม่ถูกใจก็ไม่ยินดีไม่พอใจผลักออกไปไม่ยินดีไม่พอใจอุเบกขาการตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตยอมรับตามธรรมชาติจิตเข้าถึงธรรมชาติรอบข้างตัวเรา รอบข้างกายเรารอบข้างจิตเราจิตเข้าถึงธรรมชาติเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีพิษไม่มีสงสิ่งที่มีพิษมีสงก็คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นสงอยู่ข้างในนั่นแหละคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ข้างในมันทําให้เราคอยได้รับพิษได้รับสงจากมันทุกระยะทุกเวลาอมันรวดเร็วรวดเร็วจนขนาดเราตั้งใจไม่ทันละพลาดพลาดมันถึงแล้พวพลาดพลาดมันถึงแล้ว ามาถึงแล้วก็คือมันยินดีในสิ่งที่ดีมันยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่ายินดีนกลายเป็นอารมโมโมโทโสโมโหขึ้นมามีเรื่องมีราวมีค่ามีแกงมีอะไรต่ออะไรนี่ต่างต่างเหล่านี้แหละเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจมันบดบังหัวใจของเร า, เามันบดบังหัวใจของเราไม่รู้แจ่มแจ้งชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุ ปัจจัยของอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลควรจะเอาจิตไปกําหนดจดจอกกาหนดกํากับจับกับอะไรเพื่อที่สิ่งเหล่านั้นจะยุยบย่อลงไปเพื่อที่จะดึงจิตห่างถอยห่างออกได้เอวิชาาอาวิจชาจึงมีบทบาทสําคัญในหัวใจของเราของเราของท่าน <c oughs> อันนี้ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งทำวัดสวดมนต์นี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นบุญส่วนหนึ่งเป็นข้อวัดส่วนหนึ่งเป็นธรรมเนียมส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของพวกเราชาวพุทธที่เราไม่ควรปล่อยปละละวางไม่ควรทอดทิ้งถ้าใครตั้งใจสวดขยันสวดมีหนังสือเป็นคู่มือติดตัวนะ การใดเวลาใดอยากดูเอามาดูเอามาสวดเอามาท่องนะกลายเป็นคนมีธรรมะของกุศลเจ้าที่เป็นหลักปริยัติเนี่ยจำได้เมื่อจําได้คาถาอาคมทั้งหลายเพื่อนก็นเอาไปจากหลักธรรมะนี่แหละนะกลายเป็นคนขยันท่องกลายเป็นคนมีคาถาอาคมอยู่ในตัวคําว่าคาถาก็คือบทที่ทันร้อยกรองนั่นแหละที่ท่าเรียกว่าคาถาคาถา แต่พวกเราฟังแล้วคาถาเหมือนกับว่าเ ป, เป็นของขลังของดิบดีวิเศษวิโสแท้จริงคำว่าคาถาในภาษาบาลีนั่นน่ะมันเป็นบทร้อยกรองนะสี่บาทเป็นหนึ่งคาถานะสบาทเป็นหนึ่งคาถาอันนี้เป็นคาถาธรรมดาคาถาบางอย่างเป็นคำเป็นคฉันเป็นคาฉันเอี้โยจักขุมาโมหะมล า, าปการโทนี้ 11บเอคำอย่างในการทําวัดสวดมนต์มันก็มีทั้งบทคาถามีทั้งบทอินทรวิเชียน11มันมีอยู่ในนั้นมีทั้งคาถ า, าร้อยกรองประเภท6คําปัต thyavat นี่ที่ท่นเรียงเอาไว้เป็นร้อยกรองเป็นบทร้อยกรองกลายเป็นเป็นคนมากคาถามีคาถามากจําคาถามากจําคําสวดได้มาก กลายเป็นผู้มีคาถามากถ้าเราจะถือว่าใครมีคาถามากคลังมากเราถืออย่างนี้ก็ได้ท่องเอาท่องเอาให้มากๆจําเอามากๆยึดคาถาให้มากคลังโดยโดยที่เรายึดยึดเท่าไรครังเท่านั้นน่ะยึดเท่าไรคลังเท่านั้นเนี่ยที่เขาเล่นคาถาคมกันเขาคลังเพราะการยึดนี่แหละยึดเท่าไรคลังท่านั้นน่ะยึดเท่าไรคลังท่านั้นแต่การขลังทั้งนี้ ก็ต้องอาศัยพลังจิตนี่แหละช่วยให้ขลังพาให้ขลังเนอย่างเรียนอย่างตะกุดยันผ้ายันอะไรต่างๆเหล่านี้อาศัยพลังของจิตพลังของจิตก็คือพลังความสงบพลังความสงบก็คือพลังที่กิเลสมันไปแทรกจิตไม่ได้นั่นแหละเนี่ยสิ่งเหล่นี้ทําให้เกิดพลังทําให้เกิดสิริทําให้เกิดมงคลเนี่ยเราเห็นว่าความสงบเนี่ยมีความเกื้อกูลกับประโยชน์หลายๆอย่าง จากนั้นแล้วเราเอามาน้อมนำมาภาวนาเพื่อพิจารณาให้รู้เห็นแจม่มแจ้งชัดเจนสังขารทั่วๆไปในร่างกายของเรามันก็เกื้อกูลความสงบนี้เกื้อกูลผู้มีความสงบมากก็คือผู้มีสติมากมีสัมปชัญญะมากมีสติมากมีสัมปชัญญะมากมีคุณสมบัติของจิตที่แน่นหนามัน่นคงมีความสุขมากกิเลสมันจะไ ป, ไปยุย ก็ควรจิตไม่ค่อยได้เพราะจิตมีความสงบอยู่กับที่อยู่กับอยู่กับเนื้อกับตัวมันได้คิดล่องลอยไปตามกิเลสที่มันมายุเย่ยุแยให้รักยุเย่ให้เกิดราคะยุแย่ให้เกิดโทสะยุแย่ให้เกิดโมหะอิจฉาริษยาพยาบาทดีใจเสียใจอะไรสารพัดแล้วแต่กิเลสมันจะยุยุเยหัวใจของเราให้ได้รับความทุกข์ทรมานจิตที่สงบกิเลสมันยุแย่ไม่ได้มันเข้าไปแทรกไม่ได้ เมื่อเขาไปแทรกเมื่อไรจิตมันก็ได้สงบเป็นพลังความสงบนี่เป็นพลังของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นพื้นของจิตเป็นบาตเป็นฐานของจิตเป็นกําลังของจิตครูบาอาจารย์ท่านวา่าเราทําจิตให้ได้รับความสงบเพิ่มกําลังเพิ่มพลังเข้าไปพอเพิ่มกําลังเต็มที่อิ่มมีกําลังมากก็เอามาพิจารณา อามาพิจารณาก็คือคลี่คลายพิจารณาเหมือนกับเราขยับไปพลิกดูพลิกดูเราหลงไเราหลงกายพลิกดูกายส่วนไหนเป็นเราส่วนไหนเป็นของของเราอะไรเป็นเราอะไรเป็นของของเราไล่ไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังผมเป็นขนผมเป็นเราไหมขนเป็นเราไหมดูว่าเข้าไปแล้วก็กาหนดดูว่าเป็นเป็นเราไหมผมเป็นเราไหม ขนเป็นเราไหมให้มโนภาพมันขึ้นการที่เรากําหนดน้อมนึกพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันได้ประโยชน์ทางความสงบด้วยทางปัญญาด้วยมันเป็นการแยกแยะเหมือนอย่างบทที่เราสวดเมื่อกี้นั่นแหละาการ32เนะ่ยเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายถ้าเราจะว่าเพื่อพิจรารณาเราก็ว่าช้าๆว่าว่าช้าๆให้มโนภาพมันขึ้น เพียงแต่มันผ่านไปอย่างนั้นก็เป็นการทำงานเอาใจของเรามาทำงานหากมันสงบอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการวิภาคที่เรียกว่าวิภาคกายกายยาวิภาคจําแนกกายเพื่อทําลายอัตตาตัวตนที่เรียกว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นแท่งมันบดบังมันบดบังอนัตตาการที่เรามาพิจารณาแยกแยะอยู่อย่างนี้ สร็ะแล้วเราก็ถามว่าผมเป็นเป็นเราไหมผลเป็นเราไหมฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นเราไหมอะไรเป็นเราบ้างดูไปแล้วก็ถามไปเอาใจดูแล้วก็เอาใจถามแล้วก็ดูอะไร ท, ที่มันจะเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนี่เราก็ใช้พิจารณากำหนดพิจารณาไปเพื่อให้ใจได้รับความสงบ การที่เราฝึกอยู่อย่างนี้ทําให้เราเข้าใจกายของเราจนเป็นเหตุแยกแยะกายเราได้ได้ทั้งส่วนสมถะได้ทั้งส่วนวิปัสนาเนี่ยถ้าใจเราสงบแล้วเรามาแยกแยะใจที่สงบสิ่งที่เป็นรูปปนิมิตในข้างในนะั้นๆะนะมันก็นชัดเกษาคือผมทั้งหลายสมจิตพื้นเพของจิตเรามี ส, สมาธิมีความสงบ คือผมทั้งหลายก็มองเห็นผมจริงๆกําหนดดูผมนั่นแหละรูปปสัญญาที่มันเกิดขึ้นเป็นรูปปนิมิตที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปปสัญญานั่นแหละที่เราหมายนั่นแหละเราหมายว่าเป็นรูปมันเป็นมโนภาพอยู่ข้างในหมายว่าเป็นผมผมทั้งหลายผมทั้งหลายคือผู้รู้เห็นผมเห็นผมจริงไหมเห็นผมในสัญญาคือมันหมายว่าเป็นผม สัญญาตัวนี้แหละดูไปดูไปดูไปดูไปจนสัญญามันกลายเป็นปัญญาอสัญญาเราต้องใช้ใช้ใช้ไปใช้ไปใช้ไปจนกลายเป็นปัญญาจนกลายเป็นปัญญาไม่ต้องหมายแต่ใจมันเข้าถึงเองไม่ต้องหมายแต่ใจมันเข้าถึงเองนี่มันไม่ใช่สัญญาแต่ต้องอาศัยสัญญาเป็นภาคเป็นพื้นแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าหากเราหัดพิจารณายังไม่เปลี่ยนวก็หัดมาหัดแยกแยะอย่างนี้แหละเกษาผมทั้งหลายหัดพิจารณาแยกแยะดูผมไม่ให้เป็นเราไม่มีเรามีในผมผมมีในเราเราเป็นผมผมเป็นเราดูให้เห็นข้อแตกต่างความเป็นผมเป็นเราเราเป็นผมข้อแตกต่างความไม่เป็นผมไม่เป็นเราเราไม่เป็นผมเราดูความแตกต่างตรงนี้มันก็ททาทายเข้ามาที่จิตของเรา เป็นเหตุทำให้เกิดสติเป็นเหตุทำให้เกิดปรรัญญาทาเป็นเหตุทำให้เกิดแง่มุมโดยธรรมเนี่ยความรู้ข้างหนมันก็เริ่มแตกฉันเข้าไปเรื่อยแตกฉันเข้าไปเรื่อยนี่ความสงบเราพูดถึงผลของความสงบคุณสมบัติของความสงบถ้าหากไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักคุณสมบัติของความสงบแล้วก็มีคนพูดเสริมเข้าไปอีกเอยความสงบสมถะสมทถะไม่ไปหน้ามาหลังสมถะสมถะเราไม่เห็นคุณของความสงบ เราก็ไม่อยากทําความสงบทงั้งๆที่เรายังไม่มีความสงบกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีกลัวสิ่งที่เรายังไม่เป็นพนะระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้ยกทิ้งนะสมถะวิปัสสนาสอนมาด้วยกันสมถะมีมาก่อนพระองค์ก่อนพระองค์ประกาศพระศาสนาสมถานคือความสงบต่างๆเหล่านั้นหรือศีชีพไพรเขาทำมาก่อนแต่พอพระองค์มาค้นคว้าตามหลังความสงบส่วนนี้ มีผลช่วยเสริมปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาของพระองค์ก็อาศัยพื้นจากความสงบนี่แหละเห็อนอนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถแหวกกรงขังของกิเลสออกจากวัฏฏะสงสารได้บรรดานักบวชศาสนาอื่นไม่มีใครสามารถแม้แต่คนเดียวที่จะเข้ามารู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตา พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้รู้ด้วยพระองค์เองก็คือรู้อันนี้พิจารณาเอาสัญญานี่แหละพิจารณากำหนดไปกําหนดไปเห็นแจมแจ้งชัดเจนเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นอะไรกันหมดเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนพราหมณเขาว่ามีอัตตามีตัวมีตนคําว่าอัตตาตัวตนเนี่ยบางทีเขาเขชี้มาที่กายบางทีเขาเขาชี้มาที่จิต นี่แหละคืออัตตาคือตัวตนแท้ที่จริงก็ไมรู้คืออะไรเป็นอะไรเขาว่าอัตตาตัวตนเมื่อมีอัตตาก็มีแต่ยึดกับยึดยึดกับยึดยึดกับยึดเพราะฉะนั้นใครเจริญฌานได้อใครเจริญฌานได้คนนั้นได้ไปอยู่กับพระพรหมเนี่ยคือไปนิพพานของเขาแหละไปอยู่กับพระพรหมไปอยู่กับพระพรหมอันนี้คือคติของพราหมณ์อืม แต่เขาก็มีความจริงคือความจริงก็คือความสงบนั่นแหละความสงบก็คือความจริงขั้นหนึ่งความสงบคือสมาธินั่นแหละเอาสมาธิมาทําผลธรมอเนกสงฆ์ได้แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเอามาเอาสมาธิมาเป็นบาตเป็นฐานพิจารณาจนเกิดปัญญารู้แจม่มแจ้งชัดเจนด้วยพระองค์เราจะเห็นว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ปฐมยามมันก็ด้วยพลังของสมาธินั่นแหละระลึกพบชาติได้ไม่มีสิ้นสุด ปุเพนิวาสานุสติญาณ์นะลึกไปอะไรเห็นหมดทะลุปุโปร่ปปรงหมดเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดได้ till, ลึกย้อนหลังไปกี่พบกี่ชาติเราลึกไปเห็นหมดไม่มีจุดจบเป็นกลับกับเป็นวัตตะกับเป็นวิวัตตะกับไม่มีจุดจบพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายนี่คือญาณอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการเพ่งพิจารณาอย่างนี้เพ่งไปเพ่งไปจนเกิดญาณญาณนะทัศนสนา ค, คือความจริงปรากฏที่จิตนั่นแหละ ยามยา ม, มยามปฐมยามยามแรกของวันเพ็ญเดือน6ก น, น, นะนะยามที่สองยามท่ามกลางก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายคนอื่นทั้งหลายเน่ยเกิดตายเกิดตายจะตูปปาฏิยานจุตูจะตูจะตูปปาฏิยานจุตูปปาฏิยานยานเห็นสัตว์ทั้งหลา ย, emas, sim, า ย, า ย, าย otom, จ, touches, จ, จททายุติคําว่าจุติก็คือเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนนามก็เปลี่ยนนามก็เปลี่ยนไปจุติก็คือเกิดเปลี่ยน เกิดเปลี teachers, ่ยนเกิดเปลี artist, ่ยนเกิดเกิดที่นี้เปลี่ยนจากนี้ไปอยู่ที่นู่นเกิดจากนู้นไปไปเกิดที่นู่นเกิดจากนู้นเปลี่ยนไปเป็นสิ่งนน่นที่เห็นสัตว์ทั้งหลายจติเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับปฐมยามสลดใจกับภพชาติของพระองค์แล้วไม่พอมายาม่้ำกลางสลดใจกับการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอีกไม่มีจุดจบไม่มีประมาณการเกิดการตาย เนี่ยเไปจากพื้นเพของความสงบนี่แหละพิจารณาจนเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ได้มรุธรรมขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนะอะไรเป็นเหตุเกิดกันแนะ่อะไรเป็นเหตุตายกันแนะ่นีมันท้าทายไอ้ความเกิดความตายสาเหตุแห่งเกิดแห่งตายมันท้าทายทําให้โปร่งตามไปตามไปด้วยเหตุที่จิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานอยู่แล้วการพิจารณา คลี่คลายมันก็เป็นหลักมันก็เป็นการใช้วิปั ส, สนาพิจารณาไปพิจารณาไปก็เข้าหลักปัจจยาการเห็นเหตุเห็นปัจจัยแจ่มแจ้งชัดเจนถอยเข้าไปถอยเข้าไปโอ้ยรา พ, พูนงําพันธ์อยู่ถึงตอนนี้เราทุกเราทรมานเสียอกเสียใจเหงืออแห้งใจร้องให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเสียใจร้องให้คร่ำครวญอยู่จนเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเนอโอ้ก็เพราะมีก็เพราะมี ก็เพราะมีกายอ่ะก็เพราะมีรูปกับนามก็เพราะมีกายเหตุใดจึงเพราะมีกายกับย้อนไปอมีชาติเกิดก็เพราะว่ามีพบ อ, อคือมีที่เกิดเมื่อมีที่เกิดแล้วก็มีสัตว์ไปเกิดเนี่ยพิจารณาย้อนไปย้อนไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดพบโอมาจากการยึดการถืออเกิดจากการยึดการถือที่าเรียกว่า อ, อปุปาทานย้อนเข้าไปอีกอะไรเป็นเหตุแห่งอุปาทานย้อนไปย้อนไปก็ เห็นความอยากคือตัณหาเป็นเหตุแห่งอุปาทานความอยากตัณหาเป็นปั <c oughs> <ใ>จจัยให้เกิดอุปาทานอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความอยากเพราะการสัมผัสรูปธรรมสัมผัสนามธรรมาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสัมผัสสัมผันธ์กันเมื่อสัมผัสแล้วก็เกิดยินดีพอใจอยินดีพอใจก็ดึงเข้ามาไม่ยินดีไม่พอใจก็ผลักออกไปผลักออกไปก็เป็นความอยากนะ คืออยากไม่เห็นอยากไม่ได้ไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นน่พอไม่ดีก็ผลักออกไปพอดีก็ดึงเข้ามานี่คือตัณหาคือความอยากความอยากเกิดขึ้นจากการสัมผัสการสัมผัสก็เกิดขึ้นจาก ผัสสะนั่นแหละการกระทบกันนะเกิดจากรูปรูปนามเกิดจากเกิดจากรูปนามเกิดจากขันทั้ง5านั่นคำว่ารูปก็คืออัตภาพร่างกายนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเหตุให้มีอายตนะนะถอยไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปมาจากสังขาร มาจากอวิชฌานู่นไปสุดที่อวิชฌาย้อนไปย้อนไปย้อนไปจ น, น, นสุดนี่เป็นการทำงานอย่างมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานนี่คือเหตุที่มีได้เป็นเป็ น, ปนได้เป็นไปได้เป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุธรรมในยามสุดท้ายแห่งราตรทททีที่ที่เรียกว่าอาสวะคขยายานรู้ว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคำว่าอาสวะกิเลสก็คือความอยากภายในหัวใจนั่นเอง มันหมดไปมันสิ้นไปตามลบออกลบออกลบออกลบออกลบออกลบออ ก, ออกจนหมดหมดก็คือหายเกลี้ยงไปเลยไม่มีอะไรเหลื อ, อเป็นกนเป็นอุบายเป็นมายาเป็นความโง่ของจิตตามชําระจนปดจนหมดโง่ตามชําระจนหมดมืดหมดโง่หมดมืดแล้วก็สว่างอาโลโกสว่างขึ้นมาเต็มที่มรรลธรรมในยามสุดท้ายแห่งราตรี นี่เราพูพูดให้เกี่ยวข้องกันกับความสงบความสงบมีคุณสมบัติอย่างนี้ให้เราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่อยากเจริญไม่อยากทำไม่เข้าใจนอกจากนั้นแล้วไม่พอก็ตำหนิกันแล้วโอ้ยคนนั้นเจริญแต่สมถะเจริญแต่สมถะสมถะอา่าเราเองก็ยังไม่รู้สมถะคืออะไรถ้าเรามีสมถะเราจะเอาสมถะนี้มาใช้เกิดประโยชน์ สมมตาตัวนี้แหละจะมาเสริมให้เราได้รับประโยชน์เราจะเห็นว่าผู้บรรลุธรรมนั้นมีทั้งประเภทประเภทประเภทปัญญาวิมุตติแล้วก็มีทั้งประเภทเจโตวิมุตตินะเจโตวิมุตติก็คือผู้ที่เจริญสมาธิมามากนะเดินไปด้วยพลังของสมาธิเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปนะ ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงตั้งอกตั้งใจพิจารณาความเจ็บความปวดอะไรอย่างรุนแรงเอาเป็นเอาตายถึงขนาดนั้นอาศัยความสงบเดินหน้าก้าวหน้าเพอเวลาได้บรรุษรมแล้วก็มีริมีเดษมีอภิน ญ, ญาอีกเหมือนอย่างพระสาพระโมคคัลลานะนี่คือความสงบเป็นเจโตวิมุตถหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจใจมีอานาจอะไรเป็นอานาจของใจก็คือความสงบนี่แหละอืม อาศัยความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเห็นชัดเกณฑ์แจ่มแจ้งยอมรับเต็มที่ร้อเเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมและประเภทไม่มีความสงบเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานมากแต่มีความสงบพอได้เป็นต้นทุนในการพิจารณาก็เอาการพิจารณานี้ให้มากเช่นอย่างเราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เราก็เจริญไปพิจารณาปตามรู้ไปตามรู้ไปตามรู้ไปไม่คลาดจากคณะของไม่คลาดจากคณะจิต ไม่ให้เกลียดมาแทรกเข้ามาแม้แต่ขณะจิตเดียวตามต้นอยู่อย่างนี้แหละตามพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตตามต้นอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะเกลียดมาแทรกเข้ามาไม่ได้เราก็สามารถตามไปพบไปเห็นตัวสมุทัยได้ที่มีอยู่ภายในหัวใจได้เหมือนกับเราเอาอะไรไปไปบ่มไปเผานะน่ย สิ่ันก็เหือดไปแห้งไปจางไปหายไปละลายหายไปเลยหมดไปเลยตะปะธรรมนี่เลยเอาไปแผดเผาสติธรรมปัญญาธรรมนี่เอาไปแผดเผาเผาไปเลยเผาไปเลยเผาไปเลยเผาไปเลเหือดแห้งไปเลยเป็นประเภทปัญญาเวมุตดแต่เราจะแยกกันด้วยเอกเทศทั้งหมดก็ยังไม่ได้ทั้งปัญญาววมุติทั้งเจโตเวมุติมันก็ต้องอาศัยทั้งปัญญา อาศัยทั้งความสงบทั้งสองอย่างนั่นแหละต่างอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสองอย่างน่ะไม่ใช่ว่าอย่างได้อย่างหนึ่งไม่อาศัยความสงบเลยอาศัยแต่ปัญญาอย่างเดียวเดินพิจารณาแต่ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ใช่อันหนึ่งไม่อาศัยปัญญาเลยอาศัยแต่ความสงบอย่างเดียวสงบเข้าฌานสงบเข้าฌานสงบเข้าฌานสงบอย่างนั้นการเข้าไปติดในฌานท่านาไม่ได้ออกมาพิจารณาท่านท่านจึงว่าเหมือนเอาหินไปทับไปทับหญ้า ในระหว่างที่หินมันทับอยู่หญ้ามันทําหน้าที่เจริญเติบโตไม่ได้หญ้ามันก็ไม่ไมเจริญแต่ว่าหัวหัวหญ้าหัวของหญ้านั่นน่ะหนอของหญ้าน่ะมันอยู่ข้างในอยู่ใต้อยู่ใต้หินเวลาไปยกหินออกมันก็แทงหน่อขึ้นมาอีกยกหินออกมันก็แทงหน่อขึ้นมาอีกความสงบของจิตมันสามารถทับกิเลสไม่ให้มันแสดงตัวออกมาเหมือนอย่างศิลาทับหญ้านั่นแหละพอเวลาพอเวลาไปยกออกมันก็โผล่ขึ้นมาอีก พอเวลาเราออกจากฌานขึ้นม า, ากิเลสทั้งหลายมัน ม, มันก็มายั่วยวนกวนใจอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ได้พิจารณาถึงสาเหตุต้นต่อที่แท้จริง อ, อาการทำความสงบพูดให้เราเป็นกล้วยไม้ป้ายทางพอเราพอเราได้จับได้ถือได้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิด แรงจูงใจในการที่จะตั้งอกตั้งใจให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจมาฝึกฝนมาอบรมยากลําบากขนาดไหนยิ่งยิ่งจะให้รับฐานอาหารมื้อเดียวด้วยแล้วเนี่ยังห่วงๆอยู่เจะไหวหรือน no เราเนี่ยจะไหวหรือ no เราแต่ถ้าหากเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรมันสู้พลังใจเราไม่ได้ดอกมันตกไปหมดมันร่วงไปหมดเรายิ่งได้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีก จากการที่เราตัดสินใจไม่ยอมไม่ปล่อยให้กิเลสมันแทรกเข้ามาที่หัวใจของเรามาแทรกเข้ามาเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาโอ้ต้องเอาแล้วไม่เอาไม่ได้ตายแน่แต้องเอาไม่เอาไม่ได้เราปล่อยมันแทรกเข้ามาอย่างงี้เสร็จมันอีกตั้งใจเด็ดเดี่ยวได้แน่แเอาแน่แท่านยังทําได้เราทําไมเราจะทําไม่ได้ลองอดดูลองดูความหิวดูสักครั้งหนึ่งรับทานมื้อเดียวดูความหิว ตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึกๆตอนใกลสว่างดูความหิวมันดิน่นเสร็จแล้วเราก็จะได้ถามอีกว่าอะไรหิวอ่ากายหิวหรือว่าใจหิวเราถามดูนี่มันจะทำให้เราได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกนะเวลาทุกขเวทนาจากการอดมันมาเล่นงานเราก็ให้ถามมันอะไรหิวอะไรอยากอ่าเราลองถามลองดู แล้วมันจะมีอะไรตอบตอบออกมาเราลองถามลองดูนะมันจะมีอะไรตอบออกมามแล้วใครเห็นอะไรตอบออกมาอ้เดี๋ยวเอามาเฉลยให้ฟังน ะ, ะนี่มันเป็นอุบายวิธีจากที่เราตั้งใจภาวนานะมันมีอุบายมีวิธีเราสามารถสอดแทรกไปกับนน้นก็ได้กับนี่ก็ได้มันเป็นอุบายมันเป็นวิธีมันมันทำให้ธรรมะข้างในมันเชื่อมประสานกันได้หมด <c oughs> นี่เราพูดไปนานเท่าไรแล้วเนี่ยอืพวกเราก็ฟังไปนั่งภาวนาไปอได้รับความรู้ความเข้าใจด้วยได้รับความสงบด้วยอื <c oughs> เป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเป็นเวลาสามสิบแปดนาทีเท่าที่พูดมาเนี่ย 38นาที38นาทีนี้จิตเราไปสักกี่ครั้งจิตเราอยู่ยาวๆมีไหมสัก10บขณะจิตเนี่ยอยู่ไหมหรือมันไป10บขณะจิตมันเป็นนึกไปคิดไปปรุงสิบขณะจิตนั้นนะ่ะกว่าเราจะรู้ทันเราต้องมาประเมินผลจากผลงานที่เราทําด้วยมันไปด้วยเหตุใ ด, ดมันอยู่ด้วยเหตุใ ด, ดมันอยู่มากน้อยเท่าไหร่ เวลาเวลาเราออกมาเราก็มาไข้ครวนพิจารณาตามครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณานะการพิจารณานะีถือว่าเป็นการเก็บสะสมสั่งสมสิ่งที่เราประสบพบเห็นและก็ได้แล้วก็มีเป็นการเก็บถ้าเราปล่อยให้เรียลาดเลยไม่ดีมันเป็นการเสริมเสริมจากผลที่เราได้ในขณะที่เรานั่งน่ะละให้ท่านให้พิจารณาย้อนกลับไปเราจะได้เห็นเหตุเห็นปัจจัย แล้วเราควรจะเสริมตรงไหนเราควรจะตัดตรงไหนเราควรจะเสริมตรงไหนในคนใน อ, อบายในวิธีที่เราทำได้อย่างนี้ <c oughs> สำรวจสรวจดู30 – 40, 40ีนาทีจิตเราอยู่พื้นระยะยาวๆมีไหมหรือมันไปได้เท่าไรทีแรกก็ไปได้10ขณะจิตนั่นแหลกว่าเราจะรู้ทัน เราก็ตามต้นดึงมันมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแวบไปห้าขณะจิต อ, อ๋อทันอยู่แวบไปสมขณะจิตโอทันแวะไปสองขณะจิตออแวบไปห น, น, นึ่งขณะจิตนี่ถือว่าทันแหลทันจนเห็นมันกำลังจะเริ่มแสดงตัวเราก็ทันนี่แสดงว่าความสงบภายในจิตของเราเนี่ยแน่นหนาะมันคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความอาจหารภายในจิตุ่นมีขึ้น ความสงบนะมันไม่ทันมันเผลอมันไปตอนที่เราเผลอนั่นแหละเราเขอย า, ยามสังเกตดูตอนที่มันเผลอมันเท่ากับเส้นผมบางภูเขานะ่ะตัวนี้แหละเป็นตัวอวิชชาเฉพาะหน้าเราเนี่ยคําว่าอาวิชชาก็คือตัวความมืดความโง่อวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือการที่ ส, สติมันขาดไปช่วงหนึ่งระยะหนึ่งแ ฟ, ฟ้บเดียวเหรมันออกไปแล้ว แวบเดียมมันออกไปแล้วเราพยายามจับตรงนี้ให้ได้พยายามจับตรงที่มันเผลอเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพูนผลรายได้ของเราเพิ่มขึ้นอีกและจะทําให้เราเนี่ยทําสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ า, นขาจนกําหนดเมื่อไรกันดิง่งกำหนดเมื่อไรก็ดิง่งกําหนดเมื่อไรก็ดิ่งจากผลที่เราทําจากผลที่เราสั่งสมจากผลที่เราอบรม นี่เป็นเรื่องผลประโยชน์ภายในข้างในทางด้านจิตใจของเรายิ่งเรายิ่งขัดเกลาไปได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้แหละเป็นพลังภายในพลังอันนี้คือพลังบุญสมมติเราตายไปเราตายไปเราก็ไปด้วยกันทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงตายแล้วทิ้งไว้ในโลกแต่บุญคือใจที่เราชาระขัดเกลาวได้เนี่ยตายแล้วไปด้วยกันไม่มีการกลัวตายละเราสร้างมาให้ใจของเราเต็มพอแล้ว ไปไหนไปด้วยกันตายแล้วไปด้วยกันไม่ต้องกลัวลงนรกก็แตกนรอกอนั่นแหละนะธรรมะไปตีแตกไปเกิดไปผ่านไปประสบพบเห็นอะไรกับธรรมะแตกตีแตกหมดแลหละในสุดก็นู่นไปที่สูงๆนั่นทำให้ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ตั้งใจปฏิบัติได้มนุษย์ทำอย่างรวดเร็วนี่คือการสั่งสมอบรม <c oughs> เอาพอสมควรแค่นี้ก่อนอเอาพอสมควรแค่นี้ก่อนแล้วใครมีปัญหาสดๆอะไรไหมหรือใครกำลังใครกาลังติดอยู่กับความสงบจิตจิตกำลังเกาะความสงบอยู่ก็ให้เกาะอยู่นั้นน่ะถ้าหากจะปล่อยก็ค่อยๆปล่อยมีสติกำกับอยู่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยสติ Yeah. ไม่ปล่อยสติถ้าใครจะคลี่คลายออกมาลืมตาดูถามข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ถามได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ดูไม่ออกนั่นนาฬิกานาฬิกามั น, มนแสงมันไปบดดูไม่ออกสองทุ่มสองทุ่มยี่สอ่สองทุ่มยี่ส ตอนนี้ใครจะถามปัญหาสดๆก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะตอบปัญหาแห้งที่อยู่ในกระดาษเนี่ยอันนี้ปัญหาแห้งมีไหมใครสงบแล้วก็ไม่ต้องถอดออกมานะ ภาวนาอยู่สบายอยู่นั่นเลยนะเป็นผลรายได้ของใครของเราโอ้โอะไรเยอะแยะมีอะไร อ, ะอ่านแลยอนะ ทำให้ต้องเพ่งจิตไปที่ปวดควรแก้อย่างไรนี่เรามาติดใจคำว่าเพ่งอีกแล้วเนี่ยคำว่ <c oughs> เ า, าเพ่งคำว่าจ้องคำว่ากำหนดรู้เราจะไปแยกแยะมันทำไมเราดูความจริงที่มันเป็นมันเป็นอะไร ทำให้ต้องเพ่งจิตไปที่ปวดควรแก้ไขยังไรที่จริงก็ทำถูกอยู่แล้ว เ, เดี๋ยวเดี๋ยวดูผ่านๆก่อนโอาเยอะอ่านยังไงหมดนะ่ะนะ <c oughs> สามารถ กรรมหักอะไรนะเข้ากรรมหรืออะไรสามารถสามารถสามารถอะไรเราสามารถแก้กรรมอ๋อแก้กรรมได้หรือไม่ หากแก้กรรมได้จะมีวิธีใดบ้างวิธีแก้กรรมอันนี้เราจะแก้อย่างไรกรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เรามีแต่ทำเอาใหม่แก้ไม่ได้ดอกเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราแก้ได้ไหมนี่คือกรรมที่เราส่งมาแล้วเนี่ยตัวดำตัวขาวบางทีก็ตาบอดปากเบี้ยว บางทีกับพอลิโอเงี้ยมันเกิดมันเกิดมาแล้วนี่คือกรรมแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้กรรมเก่ามันแก้ไม่ได้เราจะต้องทําความดีทําความดีแก้กรรมเก่าที่เราทํามันทํามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราจะไปแก้ไม่ได้แต่สำหรับผลของมันมันจะเบามันจะหนักมันก็ขึ้นอยู่กับ กับที่เรามาตั้งใจทําสร้างแต่คุณงามความดีคนที่ตั้งใจสร้างแต่คุณงามความดีเนี่ยอายุแทนที่จะอายุสั้นกลับอายุยืนก็มีกลับอายุยืนก็มีเพราะความดีที่ตั้งใจทำเนี่ยความดีระดับปฏิบัติธรรมเนี่ยความดีเหล่านี้จะช่วยจะช่วยให้เรามีอายุยืนได้ เราได้รับความสุขจากการที่ จ, จิตใจมันไม่ถูกอะไรมาเก่อมากวนทำให้อายุยืนได้ถ้าไม่อยากเกิดอีกเราจะบังคับให้ไม่มาเกิดได้ไหมบังคับไม่ได้การบังคับก็คือเอากิเลสไปบังคับกิเลสบวกกิเลสจาก1บวกหนึ่งมันก็เป็น2แล้วเอาอะไรไปแก้มันนะ ถ้าเราจะเทียบมอนกบน้าหยดติงติงติงติงจะให้กิเลสมันทับกันตายเมันไม่มีทางแล้วกิเลสเหมือนกับน้ากิเลสท่านเรียกว่าอาสวะอาวะอ่ามนกโอคะโอคะสมมติมันหยดติงติงมันยิ่งหยดไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นกองใหญ่มันก็ยิ่งเป็นหยดใหญ่มันจะทับถมกันตายได้ยังไงกิเลสเราจะบังคับยังไงไม่ให้มันเกิด บังคับไม่ได้ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วมันปล่อยวางเข้ามันเองตั้งใจปล่อยก็ไม่ได้ผลของธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นเนี่ยปราศจากเจตจํานงให้เราจําเอาไว้ตราบใดที่เรายังกําลังเพ่งพิพจรารณากําหนดจดจอมีเจตนาเพ่งเล็งคลี่คลาอะไรตัว อ, อะไรเนี่ยอันนี้ธรรมที่แท้จริงยังไม่ปรากฏ ทำที่แท้จริงจะเกิดได้ต่อเมื่อหมดเจตจำนงหมดเจตจำนงหมายความว่าทําเหตุจนเพียงพ อ, อผลผลคอยจะโปรแวบเข้ามาเป็นผลปรากฏโอเยอะ แต่สุกแล้วทั้งหมดนี้ก็เทศไปหมดแล้วท <c oughs> ี่อยู่ในปัญหานี้ทั้งหมดเนี่ยเทศจบเทศหมดไปแล้ว <c oughs> อ่ะลองอ่านดูอันไหนมันคล้ายๆกันเราก็เลือกมาตอบด้วยกันขอหลักปฏิบัติง่ายๆสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะนี่ง่ายที่สุดแล้วนะ่ะที่เราพยายามแนะนําเนี่ย <c oughs> หลักปฏิบัติง่ายๆที่เราพยายามแนะนำนะํำเราพยายามแนะนําง่ายที่สุดแล้วแหละมันไม่มีอะไรง่ายมากกว่านี้แหละไม่อ่งั้นครูบาอาจารย์ท่านจะเดินตายมาด้วยกันทุกองทุกองคแล่ะพระพุทธเจ้าก็เดินตายนะเราดูที่ในประวัติในพระประวัติของพระองค์เนะี่ยการปฏิบัติธรรมกว่าจะประสบพบเห็นช่องทางที่จะเล็ดลอดไปเนี่ยมันมันไม่ง่ายมันยากอ่ ยิ่งพวกเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ด้วยได้ศึกษาจากตำรับตำราพระพุทธเจ้าด้วยนี่ก็นัว่าง่ายที่สุดแล้วแหละพระองค์สรุปลงมาที่มักมีองแปดนะมักมีองแปดก็สรุปลงมาที่ศีลสมาธิปัญญาเนีศีล ส, สมาธิปัญญามันเกื้อหนุนกันนะมันเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งหลักเหล่านี้นี่ยเรามองไม่เห็นอะไรแหละอเรามองไม่เห็นอะไรว่าอะไรควรจะมาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติให้กับเรา เรามองไม่เห็นอันนี้เป็นหลักหลักปฏิบัติง่ายๆพุทธิยาท่านสรุปให้อยู่แล้วถ้าดูให้กว้างๆ ก, กับมักมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปดูไปคข้ครวนให้ดีถ้าฟังแบบสรุปๆก็คือศินสมาธิปัญญาศินมากำกับกายกรรมมากำกับวิจีกรรมสมาธิ ก, รรกำกับกำกับจิตไม่ให้กิเลมันไปเพ่นผ้านในจิตเนี่ย ศีลสมาธิปัญญาก็คือพิจารณาคลี่คลายศีลสมาธ <c oughs> ิปัญญาไม่มีศีลได้ไหมในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนามันก็มีศีลโดยอัตโนมัติของมันแต่ถ้าเราเลิกภาวนาแล้วเราไปผิดศีลศีลข้อเล็กข้อใหญ่ข้อหนักข้อเบาอะไรไปผิดสเพเหระหมดแสดงว่าจิตใจของเราไม่เป็นธรรมแล้วมันหยาบอ่ามันหยาบ มันไม่ละเอียดมันไม่สามารถจะเล็ดลอดตาถี่เข้าไปได้จิตใจที่จะลอดเข้าไปเห็นอาจเห็นทมได้จะต้องลอดตาถี่ได้พวกเราเป็นพวกเราเป็นเป็นตะกรอนที่ใหญ่ๆมันก็ถูกกรองไว้หมดน่ะไม่สามารถลอดลอดไปได้กรองไว้หมดอเพราะฉะนั้นความการกระทําของผู้ไม่มีศีลเน่ยมันก็ไม่พ้น ล่วงละเมิดศินศินข้อใดข้อหนึ่งก็ตามแต่ศินห้าสินแปดสินสสินสองรี่สิบ ก, ก็ตามแต่มีจิตใจที่จะล่วงละเมิดเป็นจิตใจที่ไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ง่ายๆแล้วเนี่ยสินสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็พิจารณาพิจารณาท่านก็นมาแยกแยะเอกแยกแยะออกอีกเป็นอ่าเป็นอ่าภาวนา เป็นสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาภาวนาก็คือทำทําจนได้ทําจนมีทําจนเปลี่ยนทำซ้ำําๆภาวนาบริกรรมทําซ้ําๆซ้ำๆซๆภาวนาทําจนมีทําจนได้ภาวนาเช่ น, น, น, นอย่างเราต้องต้องการให้จิตสงบเพราะก็ต้องพยายามกําหนดจดจ่อ จ, จนมันสงบนะถ้าสงบก็คือสงบไม่สงบก็คือไม่สงบนัมนแหละแเราอะไรเป็นเกณฑ์ไม่ได้ เราต้องเอาความเพียรเป็นเกณฑ์เราจะเอาชาติชั้นวันนะหัวคิดสติปัญญาเอากาวเอาความเพียรเป็นเกณฑ์บางคนสติปัญญาดีมีความเพียรกำหนดจดจอ่อจิตละเอียดก็เข้าเห็นได้ง่ายอย่างนี้ก็ได้ก็มีบางคนจิตไม่ละเอียดจิตหยาบแต่อาศัยความเพียรทำต่อเนื่องให้ความสนใจเอาเป็นเอาตายเข้าใสเขาว่าในสุดก็เข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติง่ายๆก็ให้เราจำหลักก็คือศีลสมาธิอย่าไปทิ้งศีลสมาธิคือพยายามทามจิตให้ได้รับความสงบ ป, ปัญญาก็คือพิจารณาคลี่คลายการตั้งใจบริกรรมให้ใจได้รับความสงบเราก็เทศมาสับปนกันมาทุกระยะพยายามให้จิตมีอารมณ์ดำริ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทียิบไม่ต้องดูลมก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่พอเราทําไปเราทําไปนี่มันไม่ประกอบด้วยกายมันกลายเป็นอารมณ์ละเอียดแพรบเดียวเผลอไปแล้วแพรบเดียวเผลอไปแล้วแต่ถ้าเราเอาลมด้วยพุทโธด้วยคากับกันเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่มันปรากฏทั้งสองอย่างปรากฏทั้งสองอย่างอันนี้แหละจะเป็น ครอบจั ก, กรวาลของอารมณ์กรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านชอบใช้พิจารณาลมพุโทโธกำกับด้วยลมเพราะว่าถ้าหากเราไม่ดําริคําว่าพุโทโธพุทโธเราดูลมเข้าดูลมออกเฉยเมันก็เป็นอนาปันสตินั่นแหละลมเข้ายาวก็รู้ว่ายาวลมเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นลมเข้ายาวก็รู้ว่ายาว ออกยาวก็รู้ว่ายาวเข้ายาวก็รู้ว่ายาวออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเข้าส anyway ั้นก็รู้ว่าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าสั้นนี่คือการกำหนดดูลมการกำหนดดูลมก็คือมันทำงานทั้งสองอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมโดยเฉพาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยหรือเราจะเรียกว่าเราเจริญฌานแต่การเพ่งอะไรในครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเอามาสอนนะเรื่องการเพ่งเพ่งกสินะ กระสินไฟกระสินสีกระสินอะไรต่ออะไรแต่ถ้าหากเราสมัครใจจะเพ่งกระสินเนี่ยท่านให้เพ่งอาการ32เพราะมันได้ผลทันทีเพ่งอาการ32เพ่งผมเพ่งขนเ พ, งเพ่งเล็บเพ่งฟันใจมันติดค้างอยู่กับอารมณ์อะไรท่านให้ดูอันนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆอันนี้ก็เป็นกระสินกสินก็คือมีรูปมีรูปปนิมิตเนี่ยเป็นกสิน คำว่าเกสินก็คือการเพ่งเพ่งอะไรก็เพ่งรูปปณิมิตนั่นแหละทีนี้เราใช้รูปประสัญญาเป็นรูปปณิมิตเรากาหนดผมผมมันก็เป็นมโนภาพขึ้นมาเป็นผมลักษณะนี้ก็เป็นกสินที่ทำให้ได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าพิจารณาไฟพิจารณาดินพิจารณาอะไรไปอย่างอื่นผู้ปฏิบัติใหม่ แล้วก็เดินบ้างนั่งบ้างนั่งก็นั่งนานๆพยายามจับเวลามันสงบนายใจมันอยู่กับอารมณ์เดียวความรู้สึกอยู่กับอารมณ์เดียวความรู้สึกมันจะอยู่กับอารมณ์เดียวเรามากําหนดดูความรู้สึกแล้วเราไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนความรู้สึกเราดูจิตของเราเวลามันเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแป๊บไปคิดเรื่องนั้นเปลี่ยนแป๊บไปคิดเรื่องนี้ เราดูความไม่เปลี่ยนอารมณ์นั่นแหละการที่มันไม่เปลี่ยนอารมณ์นั่นแหละคือความสงบของจิตมันอยู่กับอารมณ์เดียวบางทีมันก็อยู่กับความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เฉยเฉยน่ะมันเป็นความสงบละเอียดลึกเข้าไปอยู่กับความรู้สึกอันเดียวจิตได้รับความสงบถ้าหากอยู่2 อ, อารมณ์สมอารมณ์เนี่ยมันไม่สงบแล้วแหละมันดึงไปนู่นมันดึงไปนี้ก็พยายามจับเอา เราพูดสับปนกันโดยโดยเฉพาะทั้งภาคสงบ <c oughs> <c oughs> นี่หมดไปแล้วใบหนึ่งใบที่สองอยากให้ช่วยอธิบายลักษณะของฌานหนึ่งถึงฌานสี่ค่ะนี่ไม่อธิบายแลและความแตกต่างระหว่างฌานกับยานเป็นยังไงค่ะ นี่แสดงว่าเจ้าของมียานและยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีบ้างและยังถ้ายังไม่มีอธิบายยังไงมันจะฟังรู้เรื่องนะังรู้ชานที่หนึ่งถึงชานที่สี่ <c oughs> <c oughs> ชาญกับยาน ยานก็คือความรู้ที่ยัง่งซึบลงไปมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ฌานเนี่ยมันนิ่งอยู่กับที่ก็คือความสงบของจิตนั่นแหละความสงบของจิตมันสงบจิตสงบอยู่กับที่แต่ยานนี่มันสามารถซึมซึ้งไปรู้ไปเห็นไปเห็นอะไรอะไรสารพัดเที่ยวเกิดยานเกิดยังรู้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆ ท, ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือลักษณะของยาน แต่ยา น, ยานี้เราตั้งใจให้เป็นก็เป็นไม่ได้นะเราทำเหมือนเราเคี on, episodes, ่ยวน้ํามันมะพร้าวนาะเคี่ยวเคียวเคยวเพระได้ที่มันก็จะมาเป็นน้ํามันเสเองยานทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นท่านก็ทำมาจนทํามาจนเอาเป็นเอาตายทำมาจนพอเวลาเกิดก็เกิดนะคืนปฐมยาม มัดชิมยามปัจฉิมยามเนี่ยตั้งใจให้เกิดก็ไม่เกิดอาศัยว่าทาผลเพียงพอเมาาื่อยานนี้ถึงจะเกิดเพรยานปรากฏภายในหัวใจของเราเหมือนกับของจริงปักใจมั่นเชื่อเด็ดเดี่ยวโอ้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแน่ชัดเจนตัดสินใจปึง้งลงไปแม้แต่การเข้าถึง โซดาบันละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิเพราะมีความรู้อย่างละเอียดเข้าไปถึงสัตว์สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกี่ยวข้องโอ้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวต น, ไ ม, ตวตนไม่มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละคือลักษณะของปัญญาปัญญาญานวิโตปวิญญานนั่น คือปฐมวิชารอแล้วปฐมวชารแล้วปฐมปฐมวชารปฐมวชาร์ปฐมวญานเป็นอย่างไรคะปฐมยานปฐมยานอันนี้เราอธิบายเหมือนหลวงพ่อพุทธไม่ได้เราอธิบายเหมือนหลวงพ่อพุทปฐมยิญญาณปฐมวิญญาณปฐมอะไรท่างก็ว่าไปของท่าน เราเรารู้แต่ว่าถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันก็เกิด ข, ขึ้นในลักษณะที่เราอธิบายให้ฟังนี่แหละแต่เจตนาให้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นขอ ง, ของมันเองมันจะเป็นของมันเองเวลาที่เราจะบรรลุขั้นพระโสดาบานันจะสังเกตได้อย่างไร จะมีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นในตัวเราภายหลังการบรรลุไหมคะเนี่ยเราเราไปตั้งประเด็นไปก่อนอย่างนี้ก็เหมือนอย่างเนี้ยก็เหมือนอย่างที่พูดถึงยานเมื่อกี้นั่นแหละนี่มันก็เข้ากันกับ น, นี่เลยเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นรู้ รู้เห็นแจมแจ้งขึ้นมาด้วยญาณนัทัศนาของตัวเองน่ะละญาณญาณนัทธสนาเกิดญาณขึ้นมาก็เหมือนอย่างที่ท่านรู้ใจมันซึมซึบซึมทราบซึบทราบเข้าไปอ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความปักใจเชื่อเห็นอยู่อย่างนี้จริงๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีความดับไปเป็นธรรมดา มีความรู้สึกว่ามีตัวล่องๆว่างๆอยู่ตรงกลางอกตัวนี้คือจิตเดิมแท้หรือเปล่าคะ <c oughs> จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คืออะไรจิตเดิมแท้จิตตัวไหนคือจิตแท้ตัวไหนคือจิตไม่แท้จิตเดิมแท้คือผู้รู้ จิตที่มาปนไปกับกิเลสนั่นน่ะคือจิตที่ไม่แท้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวไม่แท้นี่แหละท่านพยายามแก้ออกพยายามแก้ออกเราจะว่าอะไรเป็นจิตเดิมว่าอะไรเป็นจิตต้นว่าอะไรเป็นจิตปลายเราจะว่าอะไรเราจะว่าอะไรเป็นจิตต้นจะว่าอะไรเป็นจิตปลายแต่ในภาษาบาลีท่านว่าจิตเดิมแท้เนี่ยไม่มี จิตนี้ประภัสสอจิตประพัด ส, สนจิตประภั ส, สอนคือความเลื่อมของจิตแต่มันยังไม่บริสุทธิ์จิตประพัสสอนก็คือจิตที่มีความสงบนั่นแหละพอเริ่มสงบจิตมันก็มีความผ่องใ ส, ค ว, งใส Jugend, ความผ่องใสนั่นแหละท่าเรียกว่าประพัสสอนจิตนี้ประพัสสอนเพว่าประพัสสอนคือมันไม่บริสุทธิ์ก็คือจิตสงบนั่นแหละ มันยังอมราคะโทสะโมห oh ะอยู่ในนั้นนะ่ะการการที่ไปดูตัวนี้อยู่บ่อยๆก็เป็นการเจริญสมาธิไปในตัวไหมคะสามารถทำสลับกันกับการบริการพุโทโธได้ก็ใช้ได้ โอ้เยอะเหลือเกินเวลานั่งสมาธิทำไมสมาธิสั้นจังจะแก้อย่างไรสมาธิสั้น คือคือมันอยู่ไม่นานน่ะมันอยู่ไม่นานเดี่ยวก็ไปมันอยู่ไม่นานเดี่ยวก็ไปเราก็พยายามจับให้ต่อเนื่องยอย่าปล่อยจนมันอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันก็จะอยู่มันอยู่มันสงบนิ่งอยู่นั่นแหละมันสั้นก็คือสติเรายัางไม่แน่นหนาพอสักหน่อยหนึ่งมันก็ถอนมาสักหน่อยหนึ่งมันถอนมาขอให้ให้เริ่มได้รับความสงบ แล้วก็มันจะเป็นบทเป็นบาทททำให้เรามีความตั้งมั่นไม่ว่ายืนเดินนั่งรู้สึกว่ามันตั้งมั่นตลอดความสงบหากเวลานั่งปฏิบัติแล้วมีอาการปวดเมื่อยทำให้ตัวทำให้ต้องเบ่งต้องเบ่งหรือเพ่ง ทำให้ต้องเพ่งจิตไปที่ปวดควรแก้อย่างไรเราก็กำหนดปวดนะถ้าเราจะตามดูเวทนาแล้วก็เอาจิตดูเวทนานั่นแหละเราจะว่าดูก็ได้เราจะว่าเพ่งก็ได้เราจะว่าจ้องก็ได้เราดูตัวความจริงตอนนั้นที่จิตเข้าไปทำงานนั่นนะเราดูปวดเราดูปวดแต่อย่าให อย่าให้เป็นว่าเราปวดก็แล้วกันนะ่ะดูไปถ้าเผื่อมันว่าเราปวดนี่แ ส, สดงว่าตันหามันแทรกเข้ามาแล้วความอยากมันแทรกเข้ามาแล้วอย่าให้เป็นว่าเราปวดให้เห็นปวดศัพท์ว่าปวดก็พิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาความปวดด้วยพิจารณากายด้วยกายปวดไหมถามเวทนาปวดไหมถามมาที่จิตจิตปวดไหมล้วกําหนดถามดู จะแก้อย่างไรคือถ้าเราไม่อยากจะพลิกเปลี่ยนในตอนนั้นเราก็กําหนดดูนานๆจนจนได้รับความอัศจรรย์นั่นแหละจนความจริงปรากฏนะความเจ็บก็ศักดิทว่าความเจ็บอ่าร่างกายก็ศักดิว่าร่างกายจิตคือผู้รู้ก็ศักดิทว่าผู้รู้ตัวอุปาทานมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้อุปาทานมันโผล่มายึดไม่ได้อ่าเมื่อมันโผล่มันโผล่มายึดไม่ได้ คำว่าเราเจ็บเราปวดมันก็ไม่มีเราก็อยู่ได้ถึงจะเจ็บถึงจะไม่ดับมันก็อยู่ได้โอ้เยอะลงเตีเอาเชิยตอบบ้างเอาอ่านไม่ค่อยเห็นด้วยเอาไป จริงเราฟังเป็นข้อปฏิบัติไว้แล้วมันดีเราไปตอบตอบเราตอบอก็แก้ข้อข้องใจบางอย่างมันจับไปแล้วก็ได้ประโยชน์เอามีไหมมีเครื่องไหมมีไมไหมเออเอา <laughs> เสียวหลานยาวเกินไป <c oughs> เอา้เอาเปลี่ยนสายตาไปดูไม่ไหวเพ่งตอบไอ้ที่พอเป็นหลักๆที่จะเอาไปปฏิบัติได้นะ นั่งภาวนาไปฟังไปนั่งภาวนาไปฟังไปคําถามใบนี้ครับถามว่าอยากทราบว่าถ้าขณะภาวนาพุโทโธไปนานๆแล้ว <c oughs> เกิดง่วงนอนหรือจิตฟุง้งออกนอก <c oughs> แล้วเราสู้กับกิเลสด้วยการกลับมาพุโทโธใหม่เป็นอย่างนี้ตักพักแล้วจึงเกิดคล้ายๆกับจิตสงบนิ่ง นั่นถูกต้องไหมครัะถ้าเราเรามันฟุ้งซ่านเราก็กับพระพุทโธเมื่อจิตมันอยู่กับพุทโธแล้วมันก็ความฟุ้งซ่านอันนี้มันก็จิตจางไปมันก็ถูกต้องเนี่ยเพราะเวลาเรานั่งภาวนาจิตเราก็ฟุ้งซ่านออกไปเมื่อคิดไปร้อยแปดนะว่าเรามีสติแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ในคําบริธรรมพุทโธพุทโธ ออือความพุ่งซ่าอันนี้มันก็เพราะเรามไม่ได้ไปจับความพุ่งซ่าแล้วเนเราจิตเราหันมาใช้คําบริกรรมนี่ความพุ่งซ่าที่มันเกิดขึ้นมันก็เราเพราะเราไม่สนใจงานที่มันดึงออกไปแล้วโรคกระปรี้ยงๆของเราคือปโุโรหิตก็ถูกต้องเราสามารถแก้กรรมได้หรือไม่ถ้าแก้กรรมได้จะมีวิธีใดบ้าง กำแก้ไม่ได้ที่จะไปเอาไม่ชีของใครที่เขาออกอรายการฮะนั่นกำกำแก้ไม่ได้ท่านจึงบอกว่านโกสวรรค์ท่านเลือกได้นรกสวรรค์เนี่ยท่านเลือกได้แต่เราจะไปแก้กำแก้ได้พระพระพิฆเนศอุบัายขึ้นแต่ละองค์ไม่มีใครที่จะมา สอนให้ว่าแก้กรงงกกรมอย่างนั้นแก้กรรมอย่างนี้ไม่เคยมียังก็ยังโดนมุกมุกคลาะนะท่านมีฤทธิ์หอหุ้นเดินอากาศได้หายตัวได้ท่านยังโดนโจนห้าร้อยคนทุบตายเนะพราะกรรมชาติหนึ่งท่านหลอกแมเเ่เอาไปปล่อยในป่าแล้วก็หนีกลับ เราหลอกแม่ว่ามีโจรห้ารอยมาให้แม่รีบหนีที่แม่แก่แล้วแม่ตามบอดด้วยก็บอกว่าให้ลูกไปเถอะแม่อยู่ให้ปล่อยให้แม่อยู่ที่นี่แหละลูกเลบหนีไปเนี่เขาเลย่ลหนีไปนี่ปล่อยให้แม่ตายอยู่ในป่าด้วยกรรมอ น, นั้นท่านถึงแม้ว่าจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่กรรมที่ท่านเคยทําไว้ต้องมาชดใช <c oughs> ้กรรมไม่มีใครแก้ได้ นึ่งมีอาการปวดขาน่องขาชาเวลานั่งสมาธิจะแก้ไขอย่างไรดีนี่ข้อหนึ่งี่มีอาการปวดขาน่องขาชาเวลานั่งสมาธิกระทุกที่มันเกิดขึ้นเรานั่งเพื่อดูนั่งสมาธิเพื่อดูทุกทุกมันเกิดขึ้นเราอดทนใช้ขันติ แต่พอเราขันติเราเราไม่มีมันกลายเป็นขันแตกเมื่อเมื่อเมื่อ ม, ม, มันมีความทุกข์เราก็พิจารณาดูยุทธีที่จะแก้ความปวดนั้นเราอย่าไปสนใจความเจ็บปวดนั้นใช้คำบริกรรมถียิบเข้าสู้หรือไม่งั้นไม่งั้นเราก็ใช้การพิจารณา ว่าคนมันลงไปตรงไหนที่มันปวดหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือนั่นเพราะว่าเวลานอนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตรมอยู่กับการภาวนานั้นความปวดมันก็จะแสดงขึ้นมาเต็มที่มันก็ปวดกันทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ชั้นก็เจอแบบนี้มาชั้นก็อดทน ก่อนที่เราจะปฏิพฤติปจิบัติเราก็ต้องตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเมื่อความปวดมันเกิดมีขึ้นเราก็ต้องใช้ธรรมอวุธเข้าประหารสิ่งเหล่านี้ธรรมอวุธคืออะไรสัจจะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมความอดทนถ้าเปิดเรเปลี่ยนอริยบทบ่อยความเพียรเราก็ไม่ต่อเนื่อง เราก็ต้องใช้ความอดทนต่อสู้เมื่อเราผ่านจุดนี้ได้จิตเราก็หายฟุ้งซ่านเมื่อเป็นสมาธิความปวดสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายครูบาอาจารย์ช่างผ่านแบบนี้มาทั้งนั้น เราต้องเอาคันติต่อสู้ที่จะแก้ได้ทำอย่างมีสติจำเป็นหรือไม่ที่ต้องขึ้นไหวช้าๆขึ้นไหวเร็วๆแต่มีสติจะถือเป็นการฝึกจิตได้หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดแต่จะหาว่าบางคนอาจจะไปเคย เข้าไปสำนักทจี่ยุบหนอพองหนอย่างหนออย่างนั้นอ น, นั้นเป็นอุบายของแต่และสำนักแต่และครูบาอาจารย์ถ้าว่าเราถูกแบบนั้นเราก็ทำไปแต่ของสายของของตาฉันก็ให้มีพุโทโธพุธโทโธ แล้วการขึ้นาจะเป็นแบบป ก, ปกติกำหนดพุโทโธคือจริตก็ทำแบบแบบที่เราทาที่เราแบบสบายสบายของเราอย่าไปกังวลที่เราทำความเพียรอยู่นั่นให้จะเดินจงกรมก็ให้มีสติจะนั่งภาวนาวก็ให้ให้มี รื้อคำพุโทโธอยู่ให้มันจดจอพวกการทําความเพียรเนี่ยเราจะทำให้จดจอธรรมะหนึงว่าเราเอาได้สอดสอยเข้ารูเข็มนั่นมันต้องทําความเพียรจดจอถ้าว่าเราทําไม่จดจอ่อเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปได้เข้ารูเข็มเราก็ต้องจดจอต่อเนื่องนี่ การทำความเพียรเอาคำถามต่อไปถ้าไม่อยากเกิดอีกเราจะบังคับให้ไม่มาเกิดได้ไหมถ้าไม่อยากกลับมาเกิดอยู่ในกอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนเราต้องมี ทางนี้ทางเดียวแหละนั่งภาวนาเดินจงกรมทางอื่นไม่มีทำอัศวะการวินไว้ใจเกิดให้เราสั้นลงให้หมดไปหมดไปโดยการทำความเพียรให้รู้เห็นอ ร, อริยสัจคือทุกใ ห, ให้เห็นตัสง ร, รู้อริยสัจ คือทุกสมบุทยนี้รูดมรคนี่มีทางนี้ทางเดียวที่เราจะไม่ต้อ ง, งมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกทางอื่นไม่มีเราต้องนั่งภาวนาพุทพโธพุทโธจนจิตให้ตกอยู่ในกระแสนันโสดาปจิปมมรสกิสก ตาคาร์มักอนาคาร์มอนหัตาม์มันี่เขต้องเดินตามแถวแนวที่ครูที่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาแบบนั้นถึงจะหลุดพ้นจากการเกิดอีกถาบเรียนถามใต้าาจาย์เจ้าค่ะการเดินจงกรมทำอย่างไรจึงจะถูกต้องก็การเดินจงกรมแล้วก็กําหนด เดินขาขวาเราก็จะลงพุทธ ก, ก็ได้ขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุโทโธพุโทโธเราก็เดินไปพร้อมกับกรรใช้คําลงบริกรรมลงไปพร้อมพุโทโธพุทธโทจะไปคิดอย่างอื่นตัดสัญญาลูกต่างๆที่มากวนจิตใจเราให้ออกเราก็เดินไปพุโทโธพุโทโธเรากำหนดว่าขาขวาลงพุทขาซ้ายโทก็ึ เดี๋ยวเาทแบบนั้นกลับไปกลับมาถ้าเผลอเราเผอสติเมื่อไห่มันก็จะทําให้เราหลงนี่แล้วอย่าไปคิดเรื่องอื่นยนะคิดแต่พูดโธพุดโธมันไม่ต้องไปเดินไข้แขวะแกงแขวนแล้วก็ทําแขนแล้วปกติเราจะอามากุมวัชิข้างหน้าก็ได้เราจะแนบข้างก็ได้แต่อย่าไปแก่งแขวน คาว่าวิตตกวิจารหมายความว่าอย่างไรอืมก็ถ่าาจะ บ, บิีก็อธิบายให้ฟังแล้ววิตตกก็คือการคิดวิจารคือการตรองคิดเนี่ยเราก็คิดเพราะเราการที่เราจะนั่งบริกรรมพุทโธนั้นถ้าว่าเราไม่คิดจิตมันก็ขี้เกียจเมื่อจิตมันขี้เกียจจิตมันก็ติด ตกสบายมันก็เกิดชิ น, นะไม่ใช่ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาครอบงำเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนั่งไปสะงก์ะงกไปไม่เกิดประโยชน์นี่เราต้องมีสติมีกำกับอยู่ในคำภาวนาพุทโธพุโทพโธก็คอให้มีวิตตวิตกอยู่ในคาบริกรมรมหรือลมหายใจเข้าออกนั่นคิดอยู่ใน สติละร่างกายเรานี่พิจารณาไปทําร่างกายเราต้องจัเส้นผมลงมาว่าตอนนี้เป็นยังไงสีดําต่อไปก็สีขาวนอกจากว่าเราไม่ล้างไม่สระมันก็มันขี้รังแแคเนี่ยของแบบของปฏิกูลนี่นี่แหละคือการ ว, วิตกวิจารณ์เนี่ยคือแบบนี้พิจารณาเส้นผมลงมานี่เกิดขีร้รังแแคเกิดคันถีส่สะนั่น เราก็ไล่ลงมาที่ตามัง่งที่หูมัง่งที่ฟันเรามัง่งตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ฟันฟันก็ยังดีอยู่พออายุมากเข้ามากเข้าฟันก็เริ่มหลุดร่วงไปหลุดล่วงไปนี่ล้วก็พิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราจริงไหมถ้าเป็นของเราจริงทาไมเราสั่งไม่ได้เนี่ยเราก็เราก็พิจารณาเป็นของความเป็น ใจรักความไม่เที่ยงนี่แหะไปตกคือการคิดการตรองไปตกวิจารณ์ต่อไปกับนมรรการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ถึงการพิจารณากายในสติปัฏฐานค่ะอืม ในสติประสานเขากล่าวไว้กายเวชนาะจิตธรรมแล้วก็พิจารณากายของเราเนี่ยว่าที่มันฐานที่มันตั้งอยู่เนี่ยก็เอาทิะเราลงมานจนถึงปลายเท้าเราเราจะพิจารณาส่วนไหนก็แล้วแต่แล้วจะกะค่อยไล่ลงมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเพราะ เพราะว่าขันอันนี้เป็นพาราที่เราจะต้องดูแลรักษากายเรานี้ประกอบด้วยรูปและนามรูปที่นั่งอยู่เป็นกายขึ้นมาเนี่ยเป็นพาราที่เราจะต้องเยียวยาพอมันหิวมาเราก็เติมเติมเต็มมาแล้วก็เอาออกนี่เราพิจารณาอยู่ ให้เกิดเป็นของปฏิกูลเริ่มแรกเราก็ใช้สัญญาเป็นตัวนําไปก่อนเราก็พิจารณาในไส้ในท้องเราเนี่ยอาหารหวานข้าวที่เรารับทานทุกวันทุกวันถาาว่าเราไม่ทานมันก็บูดมันก็เนา่าเริ่มเร า, เ ร, าเริ่มอยู่ในท้องเราเนี่ยมันของปจิกูลทั้งนั้นของบูดของเนา่า แล้วเราถ่ายออกมามันจะเป็นของปัจจุบุนี่ก็พิจารณากา ย, ยก็พิจารณาแบบนี้แหละพิจารณาทําๆซากๆให้เกิดเป็นของปัจจุบของหน้าเบื่อหน่ายตอนแรกๆเราใช้สัญญาเป็นตัวนําไปก่อนเราพิจารณาอยู่เสมอเสัญญาตัวนี้แหะมันจะพลิกเป็นปัญญาเมื่อมันพลิกเป็นปัญญาเห็นจริงในจิต นี่อันนี้มันต้องใช้เวลาแนละ้วมันอันนี้อันนี้เป็นการตอบที่เพียงแต่สรุปใหฟังเฉยเฉยมันต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตยอมรับเมื่อจิตยอมรับแล้วความสงบความแ น, น่นของจิตดื่มดำเข้ามาเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจเห็นภาพความเป็นจริงเป็นตรจธรรม ก็เกิดความตดต่องเวทใจจิตจะมีความเย็นแต่ถ้าหากว่าเราจะมาพิจารณาเป็นชั่วครั้งช่วยช่วยยามแล้วว่าเห็นเป็นไงไม่ได้ต้องทำต่อเนื่องจนเป็นยาจะเห็นเป็นเห็นอยู่ในจิตว่าเป็นของปัะกูลตามที่เราพิจารณาอยู่นั้น ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะผ่านจุดนี้ได้เนี่ยเราจะพิจารณาอาการาิบสองก็ค่อยไล่มาอย่างเงี้ยนี่เขาเรียนถามอาจารย์กรณีที่จิตติดอกุศลกับบุคคลที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ ท, ทั้งที่เราก็เคารพภูชาถึงที่สุดแต่ก็มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเป็นระยะระะช่วงแรกที่เป็นได้รับคำแนะนำจากพี่ที่ปัจจุบัธรร ม, มารุ่มสามส0ปีให้ทำบุญอุทิศทนกุศลให้กับเจ้าเวณในกรรม ที่นำความคิดมิชอบมาสู่ตนเองทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นจะทุกข์ใจมากจึงพยายามนั่งสมาธิแต่ ก็จบลงด้วยอาการหลับกับขอเรียนขอคำแนะนำด้วยเพราะวันนี้จิตเราเกิดความพยาบาทเกิดความพยาบาทเกิดความอาฆาตจิตมันก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นแต่จิตเป็นความอาฆาตพยาบาทเนี่ยต้องเจริญด้วยความเมตตา เ, เราก็ต้องใช้คาบริกรรมพุทธโธต่อสู้เพื่อให้ไม่เกิดความฟุ้งซ่านที่จะไปคิดกับอารมณ์ที่พยาบาทนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าเราไปคิดํำ อกุศลที่มันเกิดขึ้นเพราะความพุ่งซ่านที่มันเกิดขึ้นมานั่นเราอันนี้เราติดจมกันมาไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วเราก็มาเกิดมาแล้วมาอุ่นเหมือนกับว่าเรามาอุ่นหม้อแกงหม้อเก่านั่นเราเกิดมาแล้วก็มาอุ่นก็แกงหม้อ น, นี้ก็อุ่นเราติดยึดเป็นอารมณ์ให้เราละอารมณ์นี้โดยการใช้คําบริกรรมเนี่ย จเจรเมตตาอย่าไปคิดอาคารพยาบาทเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปเมื่อคิดไปเราก็ดึงกลับมาก็พุโทโธพุโทโธตะล่อมเข้าไปจะจะไม่ให้ไม่คิดเลยม่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราติด จ, จมรดมานานเราต้องพยายามใช้คำบริกรรมสู้ต่อสู้ เนี่ยส่วนส่วนกวนให้กับจาบุญอุทิศ ส, ส่วนให้กับเจ้าเวเนก ร, รมนี่อันนี้มันก็เป็นการแก้ปายเหตุแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจของเราเนะ่เราต้องใช้การปฏิจจบัติบูชาสู้ให้อย่าไปคิดสิ่งที่เอุกสนเกิดขึ้นมาแล้วก็มตัดตัดกระแสรถมันมีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่ง มื่ทางไม่ดีมันก็เหยียบเบรกอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าเป็นจิตมันเกิดเป็นอกุศลแล้วเราก็เหยียบเบรกให้ให้กลับมาหันมาสู่คำบริกรรมนะเพื่อจิตลดกระแสแห่งอกุศลจิต ท, ที่เกิดขึ้นทำให้เราฟุ้งซ่า น, นเกิดความจิตเราเกิดความเศร้าหมอง เริ่มแรกมันก็ต้องมีการฝืนกั น, กนไปก่อนถ้าจะเปิดราผ่านจุดนั้นได้มันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทุกอย่างมันก็ต้องมีธรรมมาวัตคือสัจธรรมวุรธรรมขันติธรรมนี่ต้องตอนไหนเราันอ่อนเราบรรด้อยเราก็ผลิตขึ้นสร้างขึ้นมาให้มีถ้าเราประกอบเหตุ ด, ดี ผลมันก็เกิดขึ้นในดีเพราะว่าความกิเลสที่มันจมอยู่ในจิตใจเรานั้นอยู่ในสันดานเราจิตไม่รู้เท่าไหรเท่าไ ร, รานับไม่ได้เราก็เกิดตายกับสิ่งเหล่านี้มาเราก็มายึด อ, อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา ของเราของเราเนี่ยนี่เราต้องมาค่อยๆแกะออกด้วยการนั่งแล้เรียถึงพุโทโธพุธโทโธนี่นี่แหละทางที่เราจะพ้นจากวัตถวันนี้มีอยู่ทางเดียวที่เราจะแก้จิตใจเร า, เร า, เราได้ วันนี้ก็เป็นวันแรกคืนแรกที่เราได้มานั่งประพฤติปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะตั้งสติถ้าว่าเราตั้งสติให้ดีมันกับเราปรับคืนวิชยุธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้มาธรรมะที่อยู่ รอบข้างเราเต็มไปหมดแต่เราปรับขึ้นของเรายังไม่ถูกราพยายามปรับให้ถูกขึ้นคืออะไรก็คือสติเมื่อไม่เรามีสติจดจอ่ออยู่กับความเพียรจิตใจเราก็ได้รับความร่มรื่นความสงบ ความพุ่งซ่านมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วจิตเราก็จะมีความร่มเย็นทีนี้กว่าเรามานั่งปฏิบัติอยู่นี่จิตเราก็คิดถึงนูน่นคิดถึงนี่ตาลพัฒเราก็พยายามหยุดการคิด่างอื่นให้อยู่ในวงปัจจุบัน ในการนั่งภาวนาอยู่นี้ตัท ญ, ญาลุมต่างๆถามถามตัวเองนี่เรามานั่งทําอะไรเรามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรทำเราจะไปคิดจะใหม่ให้สลัดความกังวลต่างๆความพุ่งต่างๆสลัดออกให้อยู่ในจุดที่เราภาวนาอยู่ให้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราอยู่ตั้งสติไว้ชอบแล้วใช้คำบริกรรมให้อยู่ในคำบริกรรม น, นจิตเราก็สงบได้เมื่อจิตความสมงบเกิดขึ้นความพุง่งพุงสั้นต่างๆก็จะลดละไปจิตจางไปจนไม่มีสติกับจิตกับเร็นอหนึ่งอันเดียวกันเป็นสติสัมปชัญญะ อตอนนี้ก็จะให้ทุกคนนั่งปฏิบัติไปจนถึงเวลาก็ค่อยเลิกกันนี่ตอนนี้สามทุ่มสิบปีนั่งอยู่ความสงบ ีก็ใกล้จะสีท่ท่มแล้วอีกสิบนาทีเอาบใบ้ๆสู้บใบ้ๆกลับดูแลงานข้างในทดสอบทดสอบความสามารถเราเองอ่ะ อ, อัตตาหิอัตโนนาทโถ <c oughs> งานนี้เป็นงานอัตตาหิอัตโนนาทโถแท้ไม่มีใครช่วยเราเราช่วยตัวเราเองต้องใจทำ ส, สบายไม่มีใครกวนระว่างกิเลสตัวเดียวมันออกมากวนะน่ะกวนแล้วทำให้เราไม่สงบ ประคองให้ดีประคประคองให้ดีประคองประคองจิตประคองยังไงก็ดูออเราประคองยังไงให้สงบประคองโบราณว่าเหมือนเหมือนเราประคองประคองบาตที่เต็มด้วยน้ําด้วยน้ํามันบาตที่ปริมด้วยน้ํามันประคอง จิตของเราเช่นเดียวกันนะประคองเข้ามาตะล่อมเข้ามาให้สงบให้อยู่พื้นฐานสาคัญก็คือความสงบแหละทให้ได้รับความสงบอย่าเพิ่งไปอยากทราบธรรมะสูงๆขึ้นไปธรรมะพื้นฐานทำให้มันอยู่ทำให้มันได้อยู่ จิตมันอยู่อยากพิจารณาก็เอามาพิจารณาแต่ถ้าหากทำบ่อยครั้งเข้าจนชำนาญแล้วไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ค่อยมีอะ่ะมันไม่มีปัญหาที่จะถามแทบไม่มีอะ่ะมันมีแต่โซ่อยู่ข้างใ น, น, น <c oughs> ถามมากๆถามหนักๆถามครูบาอาจารย์บ่อยครั้งเข้าเราครูบาอาจารย์ท่านจะว่าเาจ้าปัญหาจเจ้าปัญหานั่งคิดนั่งคิดแต่เรื่องปัญหาจะถามอ่ไม่ได้ทําให้เกิดความสงบไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่านะบางองค์ท่านว่า เราจับมันสำคัญเราจับหลักได้แล้วก็พยายามทําตามหลักนั้นให้ให้มันได้ผลนี่ตัวนี้สำคัญสำคัญสี่ทุ่มเลยอีก สีห้านาทีสี่ทุ่มเลิกเลิกไปเลิกกลับจากนี้ไปบางบางคนนั่งติดนั่งสบายนั่งสงบก็ไปนั่งต่อไปนั่งภาวนาตอ่อย่างอื่นทิ้งไว้ก่อนอาบน้ำก็อาบเสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วไปนี้เราก็นั่งภาวนาต่อหรือไม่ก็เดินอยู่ในพื้นตรงไหนที่เราพอจะเดินได้ สว่างสว่างตรงลานตรงอะไรเดินเดินสลับเปลี่ยนกันกันกบนั่งที่เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำด้วยความสน อ, อกสนใจจริงๆเพราะงานนี้เป็นเป็นงานเนื้อหนังของจิตใจจริงๆตั้งใจทำให้ได้รับความสงบให้สมกับที่เราเว้นการงานสองสวรรคมามาทำประโยชน์ให้กับตัวเองโดยตรงตรงนี้ ต, <c oughs> ตอนเช้าตอนเช้าจะมาเท่าไหร่ตอนเช้าจะลุกมาเท่าไหร่ตีละครั้งใช่ไหมตีละครั้งตี ส, ตตสี่ถึงนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่สี่คือปลุกให้ใหลุกเหรออ๋อตีสี่คือปลุกให้ลุกยางช้าก็ยี่สิบนาที ลูกมีไฟมีอะไรก็มาสละแล้วก็ทำวัดประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งทำวัดออตีสี่ครึ่งทำวัดตีสครึ่งทำวัดทำวัดเชา้าทำวัดเช้าคือส่วนม น, นั่นแหละ ทำสั้นๆแบบที่เราพาทํานี่ยแหละทำวัดเช้าก็สั้นๆทำวัดเย็นก็สั้นๆเแล้วก็ภาวนาพยายามนั่งภาวนานานๆพยายามภาวนาไม่อยู่ในในท่านั่งไม่อยู่ในท่าเดินยงกลมก็ให้กาหนดจดจอไม่ปล่อยสติสัมปชัญญะ ไม่ปล่อยเพราะขับข้องจิตมันเป็นการเตรียมตัวไว้พร้อมตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามาถ้าเราไม่เตรียมอย่างนี้ไม่ระวังอย่างนี้ไม่ทําให้ต่อเนื่องอย่างนี้เวลาเรานั่งเนี่ยกว่ามันจะรวมเข้ามาเนี่ยโอ้อยากกว่าจะดึงเข้ามากว่าจะดึงนู้นมากว่าจะดึงนี้นมาเพราะปล่อยจิตไปจนชินจนชินจนชาไปเอาไม่อยู่กว่าจะลงเนื้อลงตัวกว่าจะ อยู่กับอารมณ์ที่จับให้บริกรรมนี่ก็ยากแตถ้าทําต่อเนื่องมันเป็นการเตรียมตัวพร้อมพอเรากําหนดปับ๊บเขาก็จะได้รับความสงบเร็วศึกษาอยู่ตรงนี้ให้ได้รับความสงบสับเปลี่ยนพิจารณาบ้างอ <c oughs> สับเปลี่ยนพิจารณาบ้างเวลามีกําลังพอก็พิจารณาบางที ให้สงบมันไม่สงบแล้วก็พิจารณาเอาความสงบจากการพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เป็นปัญญาอบรมสมาธิเป็นลักษณะปัญญาอบรมสมาธิคนที่ใหม่ตรงนี้เลยมีไหมโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแรกของตรงนี้วัชรธรรมเนี่ยมีไหมโอหยกมือย่มือ ส, องสูงๆมาเห็นโอมีใหม่เยอะเลยนะ อ๋อนอกนั้นเก่าสองครั้งสามครั้งตั้งใจทาเอาวันนี้เราเลิกเพียงเท่านี้วันนี้เราเลิกเท่านี้เลิ